อท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจบุญสนทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสารที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาดูแลบำรุง รักษาจิตใจของท่านที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานความว่าใหญ่หรือประธานนี้ก็คือมีความสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของชีวิตของเราเพราะว่า ความสุขความทุกข์ของใจนี้เป็นความสุขความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายความสุขความทุกข์ของร่างกายนี้สู้ความสุขความทุกข์ของใจไม่ได้ถ้าใจไม่ได้รับการดูแลรักษาใจก็จะมีความทุกข์มาก ความทุกขของใจนี้จะไปกลบความสุขของร่างกายถึงแม้ว่าเราจะดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีอย่างไรมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมารับใช้ร่างกายของเรามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ความสุขที่เราได้รับจากทรัพย์ ส, บสมบัติเข้าของเงินทองนี้ จะไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ของใจได้เลยส่วนในทางตรงกันข้ามถ้าใจมีความสุขแล้วถึงแม้ว่าร่างกายจะทุกข์จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอะไรไปความทุกข์ของร่างกายก็จะถูกความสุขของใจนี่กลบไปหมด ทำให้รู้สึกว่าไม่มีความทุกข์เลยใจที่มีความสุขอย่างนี้ก็คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่มีปรมังสุขขังคือบรมบสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถที่จะลบล้างหรือที่จะบทบัง ความทุกข์ของทางร่างกายได้หมดเลยเวลาที่พระพุทธเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนี้พระพุทธเจ้าไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของพระวรกายเลยเพราะว่าพระไตยของพระองค์นี้มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ทำให้ความทุกข์ของร่างกายนี้ไม่มีความหมายไป นี่แหละคือความสำคัญของใจนอกจากนั้นแล้วใจก็เป็นสิ่งที่ถาวรส่วนร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ได้ชั่วคราวต่อให้เราดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดร่างกายก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้ต้องตายไป ดังนั้นการดูแลร่างกายจึงเป็นการดูแลของที่ไม่ใช่เป็นของเราของที่ไม่ใช่เป็นของจริงเป็นเหมือนของปลอมเพราะว่าสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะหายไปถ้าเราไปงานศพเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ก็จะถูกจับเข้าไปในเตาไฟเผาไป จนเหลือแต่เศษกระดูกกับขี้เท่านี่คือร่างกายของเราที่พวกเราพยายามดูแลรักษาการแทบเป็นแทบตายแต่ผลสุดท้ายเป็นอย่างไรก็เป็นขี้เท่ากับเป็นเศษกระดูกไปเท่านั้นเองแต่ใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายเป็นสิ่งที่มีอยู่กับเราไปตลอด ให้ความสุขกับเราเป็นตลอดแต่พวกเรากลับไม่ค่อยได้มาดูแลรักษาใจกันเพราะเราถูกความหลงหลอกไปให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราจึงทำให้เราลืมความจริงไปว่าของของที่เป็นของเราที่แท้จริงก็คือใจของเรานี่เองเราจึงไม่ค่อยได้ดูแลรักษา ใจของเราเหมือนกับเราดูแลรักษาร่างกายนานๆเราจึงค่อยมาดูแลรักษาใจกันสักครั้งหนึ่งแต่ร่างกายนี้เราดูแลทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาแต่เราก็ไม่เคยหยุดคิดเลยว่าการดูแลร่างกายของเรานี้ผลสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไร ผลสุดท้ายมันก็คือมันก็จะต้องแกเ่เจ็บตายไปแล้วก็กลดกายเป็นเศษกระดูกกายเป็นขี้เท่าไปแล้วความเวลาพยายามความาความภาคเพียรของเราที่ทุ่มเทให้กับการดูแลรักษาร่างกายของเรานี้มันได้อะไรกลับมาบ้าง ก็ได้แต่ความทุกข์ใจกลับมาความไม่สบายใจกลับมาเพราะว่าเราอยากให้ร่างกายนั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้ร่างกายอยู่กับเราไปตลอดแต่ความจริงย่อมเป็นความจริงความจริงไม่มีใครฝืนได้ไม่มีใครสั่งได้ไม่มีใครลบล้างได้ เช่นสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ไม่มีใครสั่งได้เมื่อสั่งไม่ได้ใจก็ผิดหวังใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าไม่ได้มาดูแลรักษาใจถ้าได้มาดูแลรักษาใจใจก็จะมีกระคุ้มกันทำให้ไม่ทุกข์ ความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญมากๆกก็คือการดูแลรักษาใจของเราเพราะถ้าเราดูแลรักษาใจของเราได้เหมือนกับที่เราดูแลรักษาร่างกายแล้วใจของเรานี้จะไม่มีความทุกข์เลยจะมีความสุขตลอดเวลา ดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะให้ความสําคัญแก่ใจอย่างที่ใจมีความสําคัญต่อเราเราไม่ควรให้ความสําคัญต่อร่างกายมากจนเกินไปร่างกายนี้เราเพียงให้ปัจจัยสี่ร่างกายก็อยู่ได้แล้วให้มีอาหารมีเครื่องนุ่งหง่มมียารักษาโรค มีที่อยู่อาศัยก็ร่างกายก็อยู่ได้แนละ้วแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องดูแลด้วยของที่มีราคาแพงๆเช่นอาหารก็ต้องมีราคาแพงเสื้อผ้าก็ต้องมีราคาแพงบ้านก็ต้องมีราคาแพงยารักษาโรคก็ต้องมีราคาแพงเพราะว่าของแพงไว้ของถูก ก็ทำหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันจะอยู่บ้านหลังละสิบล้านหรือเชาบ้านอยู่มันก็เป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของร่างกายเหมือนกันจะใส่เสื้อผ้าชุดละหมื่นชุดละแสนหรือใส่เสื้อผ้าชุดละร้อยสองร้อมันก็เป็นเสื้อผ้าไว้นุ่ง ห, งหม่ม จะกินอาหารราคาหมื่นราคาแสนหรือกินราคาอาหารราคาร้อยอาคา <c oughs> ไม่กี่ร้อยมันก็อิ่มเหมือนกันดูแลรักษาร่างกายได้เหมือนกันเราจึงอย่าไปเสียเวลาให้กับการดูแลร่างกายมากจนเกินไป พราะจะทําให้เราไม่มีเวลามาดูแลรักษาใจของเราเราควรที่จะดูแลรักษาใจของเรามากยิ่งกว่าการดูแลรักษาร่างกายและสิ่งต่างๆที่เราได้มาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ไม่ไไมว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักด์ตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราผ่านทางตาหูจมูกม้นกายของต่างๆเหล่านี้จะต้องมีวันหมดไปเราไม่สามารถที่จะเอาของต่างๆเหล่านี้ติดตัวไปกับเราได้ เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่สิ่งที่เราจะเอาติดตัวกลับเราไปได้ก็คือความสุขและความทุกข์ใจถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจของเราเราก็จะเอาแต่ความทุกข์ใจไปถ้าเราดูแลรักษาใจของเราเราก็จะเอาแต่ความสุขไป อันนี้แล้วเราจึงควรที่เปลี่ยนทิศทางของการดําเนินชีวิตของเราเปลี่ยนจากการมาดูแลรักษาร่างกายดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆดูแลรักษาบุคคลต่างๆเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหาย สามีภรรยาบตทธิดาอย่าดูแลมากเกินไปอย่าดูแลเกินเหตุเกินผลไม่เกิดประโยชน์อะไรดูแลให้เขาพออยู่ได้ไม่เดือดร้อนก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องอยู่แบบมหาเศรษฐีมีสมบัติมีข้าวของเงินทองต่างๆมากมายก่ายกอง เพราะจะทําให้เราไม่มีเวลามาดูแลรักษาใจของเราเราควรที่จะทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลรักษาใจของเราด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาเพราะนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะบํารุงรักษาจิตใจของเรา ให้มีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์อยู่ในใจของเราพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วได้ดูแลรักษาพระทัยของพระองค์แล้วด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาจนใจของพระพุทธเจ้านี้มีแต่ความสุขมีแต่ปรมังสุขขัง ไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยพวกเราก็สามารถที่จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเราถ้าเราหมั่นให้ทานอยู่เรื่อยๆหมั่นรักษาศีลอยู่เรื่อยๆหมั่นภาวนาอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะได้มีแต่ความสุข ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์นี่คือการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องก็คือการดูแลรักษาใจของเราเป็นหลักแล้วดูแลรักษาร่างกายของเราเป็นรองร่างกายของเราเราก็ต้องดูแลรักษาแต่เราไม่ต้องดูแลมากจนเกินไปอย่างที่พวกเรากำลังดูแลกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นการดูแลมากจนเกินไปจึงทำให้เราไม่มีเ ว, เวลาที่จะมาดูแลรักษาใจของเราเราต้องเอาตัวอย่างของพระพระเจ้าของพระสงสารกทั้งหลายในการดูแลรักษาใจท่านลาออกจากงานท่านมีงานมีการมีอาชีพอะไรท่านก็ลาออกจากงาน แล้วก็มาทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลรักษาใจด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการทุ่มเทเวลาให้กับการภาวนาคือการชำระใจชาระสิ่งที่ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบ ด้วยการเจริญปัญญาพิจารณาความให้เห็นความจริงว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเกิดจากความหลงที่ไปอยากได้สิ่งต่างๆอยากได้ให้อยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากให้สิ่งต่างๆที่เราได้มาอยู่กับเราไปนานๆอันนี้ เป็นความเห็นผิดเป็นชอบกพไม่เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปนานๆไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงของทุกอย่างที่เราได้มาสักวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียไปหมดถ้าเราคอยสารใจอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่อยากได้อะไร พอไม่อยากได้อะไรใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์พอไม่มีความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขใจการที่เราจะสอนใจหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีสมาธิก่อนเพราะสมาธินี้เป็นกําลังของใจเป็นสิ่งที่จะทําให้เราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ ดังนั้นเราจึงต้องพยายามฝึกฝนอบลมทำใจให้สงบวิธีที่จะทำใจให้สงบก็จะต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมความคิดของเราความคิดของเรานี้ถ้าไม่หยุดคิดแล้วแล้วก็ใจจะไม่สงบใจจะสงบได้ต้องหยุดความคิด ความคิดจะหยุดได้ก็ต้องมีสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ถ้ารถยนต์ไม่มีเบรกวิ่งไปแล้วก็จะไม่สามารถหยุดได้เวลาที่ต้องการจะหยุดใจของเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดความคิดของเราได้ถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เราก็จะไม่มีความสงบ ถ้าไม่มีความสงบไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังที่จะไปหยุดความอยากได้เวลาเกิดความอยากก็จะหยุดไม่ได้เช่นคนที่ติดบุหรี่เวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็หยุดไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าการสูบบุหรี่นี้เป็นอันตรายต่อร่างกายทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา ทำให้ตายก่อนเวลาอันสมควรแต่ไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากสู่บุหรีได้แต่ถ้าฝึกสมาธิจเจริญสติอยู่เรื่อยๆควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่อยๆเบื่อแล้วเวลามานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ พอใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะมีกำลังจะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเห็นว่าความอยากนี้เป็นพิษเป็นภัยกับใจถ้าเห็นว่าสิ่งที่อยากนี้ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงได้แต่จะต้องกลายเป็นทาตของสิ่งที่เราอยากได้ได้มาแล้วก็จะไม่มีความ พอแต่มีความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเช่นการสูบบุหรี่พอสูบมวนนี้หมดไปแล้วความอยากก็ไม่ได้หมดไปความอิ่มความพอที่ได้จากการสูบบุหรี่ก็ไม่เกิดขึ้นแต่กลับมีความอยากจะสูบบุหรี่ขึ้นอีกคนถึงต้องสูบบุหรี่เป็นเวลาสองสองสอง ก็เพราะว่าการสูบบุหรีนี้ไม่ได้หยุดความอยากสูบบุหรีถ้าอยากจะหยุดความอยากสูบบุหรีก็ต้องไม่สูบบุหรีทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรีก็ไม่สูบแล้วต่อไปความอยากก็จะหายไปเหมือนเวลาที่มีคนมาขอเงินเราถ้าเราให้เงินเขาไป เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะมาขอใหม่ถ้าเราให้เขาไปอีกเขาก็จะกลับมาขอใหม่แต่ถ้าเขามาขอเงินแล้วเราไม่ให้เขาพรุ่งนี้เขากลับมาขอใหม่เราก็ไม่ให้เขาอีกมากี่ครั้งเราก็ไม่ให้เขาต่อไปเขาก็จะไม่มาเอเพราะเขารู้ว่ามาก็ไม่ได้อะไรกลับไป ชัน้นใดก็เหมือนกับการสูบบุหรี่การอยากสูบบุหรี่เวลาเกิดความอยากสูบบุหรี่ถ้าเราไม่สูบต่อไปความอยากมันก็จะไม่มาแต่การที่เราจะหยุดความอยากสู้กับความอยากได้เราต้องมีสมาธิมีใจที่สงบดังนั้นเราจึงควรที่จะฝึกฝนอบรม สติให้มากๆเพื่อที่จะได้มาหยุดความคิดพอหยุดความคิดเราก็จะได้สมาธิและเราจะสามารถหยุดความอยากทุกชนิดได้ความอยากที่ฉุดลากให้เราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเราจะหยุดได้หมดเลยการที่คนเรารักษาศีลกันไม่ได้ก็เพราะว่าเราหยุดความอยากไม่ได้ เวลาเราอยากได้เงินทองเราก็ต้องไปดินน้นรนหาเงินทองมาด้วยวิธีการต่างๆถ้าเราไม่สามารถหาเงินทองมาด้วยวิธีที่ถูกศีลถูกธรรมเราก็จะไปหามาด้วยการผิดศีลผิดธรรมเช่นไปลักทรัพย์ไปช่อโกงเพราะเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้นั่นเอง เวลาที่เราอยากจะเสพการอยากจะพูดพูดผิดประเวณีเราก็จะหยุดไม่ได้เราก็จะไปประพฤติผิดประเวณีเวลาที่เราจะไม่พูดโกหกเราก็หยุดไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีกําลังสู้ความอยากนั่นเองแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวหรือให้คิดอยู่กับบทสวดมนต์ไปก็ได้สวดอรหังสัมมาสวัาขาโตสุปฏิปันโนไปภายในใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะสามารถไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ พอเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไม่มีความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นถ้าเราไม่คิดถึงบุรีเราก็จะไม่มีความอยากจะสู่บุรีแต่พอเราไปคิดถึงบุรีปับ๊บมันก็จะเกิดความอยากสู่บุรีขึ้นมาทันทีนี่แหละคือความสำคัญของการจเจริญสติเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่มีสมาธิ เราจะไม่มีอุเบกขาเราจะไม่มีความนิ่งเฉยปล่อยวางเวลาเกิดความอยากเราก็จะอยู่เฉยเฉยไม่ได้เราก็จะต้องไปทําตามความอยากแล้วพอไปทําแล้วก็จะติดทําแล้วก็อยากจะทําอีกแล้วถ้าทําถูกกฎหมายไม่ได้ถูกศีลธรรมไม่ได้เราก็จะไปทําผิดกฎหมายทําผิดศีลธรรม แล้วเราก็ต้องถูกจับไปลงโทษเข้าคุกเข้าตารางตายไปเราก็ต้องไปติดคุกในอบายต่อไปเกิดเป็นเดระชฉานเป็นเปรตไปตกนรกเพราะว่าเราไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากของเรานี่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้มาสอนความจริงอันนี้ให้กับพวกเรา พวกเราก็จะอยู่กับความทุกข์อยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าความอยากนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะฉุดลากให้เรากลับมาเกิดใหม่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วพอเราต้องไปใช้บาปใช้กรรมใช้บุญหมดแล้วความอยากมันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่ กลับมาแก่มาเจ็บมาตายกลับมาทุกข์ใหม่กลับมาทำบาปทำกรรมใหม่อีกถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ชาตินี้เราถือว่ามีโชควาสนาเป็นอย่างมากที่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาได้มาฟังความจริงของพวกเราได้มาฟังถึงวิธีการ ที่จะทำให้พวกเรานั้นไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาทุกข์กับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ให้พวกเราได้มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราพบกับพระพุทธศาสนาแล้วแล้วได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว แล้วนำเอาไปปฏิบัติได้แล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทางที่เราจะปฏิบัติได้อย่างเป็นที่เราก็ต้องสละเพศของคารวะไปอย่าอยู่แบบคารวาที่มัวแต่หาเงินหาทอง หาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะจะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติจเจริญจิตตภาวนามารักษาศีลกันดังนั้นเราควรที่จะพยายามลดละชีวิตของคาววะให้น้อยลงไปคืออย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกาย ให้มาหาความสุขจากการทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมไปเมื่อเราทำขึ้นไปแล้วเราก็จะทำได้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้หยุดหาเงินหาทองได้แล้วเราก็จะ มีเวลาที่จะมารักษาศีล ม, มีเวลาที่จะมาปฏิบัติทำมาภาวนามาเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วก็มาสอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราที่ถาวรได้เป็นความสุขชั่วคราว ที่เราต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่เราไม่ได้เติมความสุขเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเวลาใดที่เราไม่ได้สู่บุรีเวลานั้นเราก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดความอยากสู่บุรีได้เราก็ไม่ต้องสูญบุรีแล้วเราก็จะมีความสุขที่เกิดจากการ ไม่มีความอยากที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการสูดฝุินนี่แหละคือคํามสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามาทําทานกันมารักษาศีลกันมาภาวนากันเพื่อที่จะทำให้เราได้หยุดความอยากตา่ตางๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไป พอไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอถึงแม้ร่างกายจะอดข้าวเป็นเป็นวันก็จะไม่เดือดร้อนกับความหิวของร่างกายเพราะใจอิ่มใจไม่ได้หิวไปกับร่างกายพระพุทธเจ้าอดข้าวได้ถึง49่วันด้วยกันก็เพราะว่าใจของพระพุทธเจ้านี้มีสมาธิมีความอิ่มนั่นเอง แต่ใจของพวกเหล่านี้ไม่มีสมาธิกันอดข้าวมื้อเดียวยังอดกันไม่ได้เลยให้ถือศีลแปดอดข้าวเย็นกันแค่นี้ก็ยังอดกันไม่ได้ก็เพราะใจของเราไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากกินข้าวเย็นนั้นเองแต่ถ้าเราจเจริญสติควบคุมความคิดได้ทำใจให้สงบได้ เราจะถือศีลแปดได้อย่างสบายจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการไม่ได้รับประทานอาหารเย็นเลยนี่แหละคือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการเข้าหาพระพุทธศาสนาจากการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหยุดความอยากทั้งหมดได้ แล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่เราได้มาจากความอยากเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปจนไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจของเรานี้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบำรุงดูแลรักษาจิตใจ ให้มีแต่ความสุขให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาเพื่อประโยชน์สุดอันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทระวสีวัตนชทย